ท่านผู้บันทุท่านช่วงเวลานี้ก็เป็นในเวลาของออกพรรษาเป็นช่วงที่ญาติโยมและหลังนักบุญทั้งหลายกำลังเตรียมงานทอดกะถินและกำลังมีการสร้างบุญกะถินในแต่ละวัดแต่ละที่ต่างๆกันไป เยอะแยะมากมายหนู yeah, yeah, no, จึงได้คิดมาอย่างนี้ว่าโนปรารถนาที่จะทราบถึงบุญอ น, นิสงของบุญกุศลของการทอดกระถินนหนู no, จึงนั่งกรรมาฐานใช้คำบริกรรมสัมมาสัมพุทธาตัชมาสัมพุทธ สัม า, มาสัมพุทธะปัจจิม า, มาสัมพุทธะสัมาสัมพุทธะปัจจิมาสัมพุทธะและถอดเจตตายภายในขึ้นไปข้าวฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญพระองค์ท่านเมื่อเจตการภายในของโนถอดเลื่อนออกมา ในนั้นก็เห็นเป็นสะพานช่วยๆสีขาวแสงสว่างเจดจ้าทอดยาวขึ้นไปข้างบนหนูจึงได้เดินทางตามเส้นสะพานสีขาวๆนั้นเึ้ื่อนไปเรื่อยๆจนสุ ด, สดปลายทางของสะพานที่นั่นมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่งและ หนูก็เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พรอ้อมทางด้านข้างของต้นไม้มีเลือนแก้วซื่ออยู่เลือนหนึ่งหนูจึงเดินเข้าไปนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพร้อมทางกราบนมัสการพระองค์หนูจึงพูดขึ้นมาว่า ันอิมน้อยขอการนะมัสการพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะวันนี้คนอิมน้อยมีสิ่งที่สงสัยและพึงปรารถนาที่จะรู้ว่าคำตอบของมันนั้นคือสิ่งใดเพื่อเป็นสัญญา ในการสร้างสมบุญของคนยิ่มน้อยเองและของญาติบุญทั้งหลายที่ปัฒนาจะทราบเหมือนกันกันกบหนูหนูจึงขึ้นมาเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามพระพุทธองค์เจ้าค่ะและแล้วหนูจึงกราบนำ้ำมัสการลงไปเสร็จเมื่อหนูเงยหน้าขึ้นมา พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงลุกขึ้นจากที่ประทับของพระองค์แล้วก็เดินลงบนพื้นเดินวนไปวนมาแล้วก็หันมากลัดกลับมากับคนอินน้อยว่าเจ้านกน้อยเจ้าปรารถนาที่จะทราบเรื่องใด ก็จงถามมาเถิดเมื่อพระองค์ท่านยืนอย่างสง่างามต่อหน้าหนูหนูจึงกลาบลงไปที่แทบเท้าของพระพุทธเจ้าพรอมทั้งมีน้ำตาไหลออกมาเล็กน้อยในขณะที่หนูยังไม่ได้ทูลถามอะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกกลับมาว่า กวนอิมน้อยการที่จะสร้างสมบุญบารมีมันก็ย่อมมีสิ่งที่กระทบเข้ามาเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างหากไม่มีความอดทนก็ย่อมที่จะไม่มีความสำเร็จยิ่งยากเท่าไรก็ยิ่งทำได้ นันก็จะยิ่งได้บารมีมากยิ่งกว่ายิ่งทุกเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการตัดและละวางแล้วยิ่งจะทำให้เราได้เข้าถึงเหตุของทุกข์นั้นทุกครั้งที่เจอปัญหา เจอความทุกข์อย่าคิดที่จะหนีมันแล้วต่อให้จะหนีไปจนสุดขอบฟ้าก็ยอมที่จะหนีไปไม่พ้นความทุกข์นั้นอยู่ในการเกิดการแก่และการตายหากเมื่อไรก็ตามเรายังไม่หลุดพ้น จากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายต่ อ, อให้เราจะไปอยู่ในโลกไหนจะไปอยู่มุมไหนของโลกก็ไม่มีวันที่เราจะหนีมันพ้นได้หรอกจงใช้สติสมาธิปัญญา ใช้ความนิ่งสงบในการเอาชนะกับอุปสรรคที่ทับถมเข้ามายิ่งถ้าหากว่าเรายิ่งต้องมารับในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราไม่ได้ทำไม่ได้ผิดแล้วเราก็ยิ่งต้องเอาความดีเอาความบริสุทธิ์เข้าสู้ ไม่เคยมีหรอกลูกว่าความสกปรกสิ่งไม่ดีจะชนะความบริสุทธิ์และสิ่งที่ดีการเวลาเท่านั้นคือสิ่งที่จะพิสูจน์ใจของคนว่าใครคือขาวและใครคือสิ่งที่ดำไม่มีใคร ที่จะทําให้ใครเป็นอะไรได้นอกจากใจของเราเองอย่าเอาคนอื่นมารวมกับตัวของเราและอย่าเอาเราไปรวมกับคนอื่นความทุกข์สิ่งที่ผู้อื่นต้องสอบมันก็คือหน้าที่ของเขา ที่เขาเหล่านั้นจะต้องทำความทุกข์ที่เป็นของเรามันก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องสอนเรียนรู้และจะต้องทำเราจงเรียนรู้กับความทุกข์ของเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้ แบกรับสอบไปตามกาลเวลาเขาอาจมีส่วนที่มากระทบเราบ้างเพื่อเป็นบทสอบของเราและเราเองก็ต้องมีส่วนกระทบเขาบ้างเพื่อเป็นการสอบเขาแต่ใครเล่าจะเป็นผู้ที่สอบผ่านผู้ที่สอบผ่านต้องเป็นผู้ที่ใช้จิต บริสุทธิ์ใช้ความบริสุทธิ์ในการพิสูจน์และการเวลาจะเป็นสิ่งชำระล้างสิ่งสกปรกออกไปให้เหลือแต่ความขาวสะอาดความบริสุทธิ์เป็นชัยชนะจงอย่ามองความทุกข์ของคนอื่นดึงกลับมาเพ่งโทษตน และ จ, งจงองย่ามองสิ่งที่คนอื่นทำกับตนและเอากลับมาทับถมตนทำให้พ่ายแพ้ต่อการทำความดีทุกคนมีหน้าที่จงทำหน้าที่ของแต่ละคนเราก็จงแยกแยะหน้าที่ของตน เ, เองและทำหน้าที่ของเราให้ดี ส่วนคนอื่นนั้นเขาก็ย่อมที่จะมีหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องแยกแยะและทำในส่วนของเขาทุกคนมีหน้าที่ที่จะดูตนเองหนูเองก็เหมือนกันจงหมั่นทำหน้าที่ของหนูให้ดีดูแลตัวเองให้ดีและพยิยาม จะไปรับความทุกข์ของคนอื่นมาทับถมตนอย่าเอาตนไปเพ่งโทษว่าเพราะตนคือสิ่งที่สร้างให้กับคนอื่นเป็นทุกข์และพยายามลบล้างตัวของตัวเองให้ละลายหายไปให้ไม่มีตัวตนนั่นจึงจะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จทุกคนย่อมมีความคิดเห็นที่ต่างกันไป ทุกคนย่อมมีความคิดและความต้องการที่ต่างกันไปและทุกคนก็ย่อมมีหน้าที่ที่ต่างกันไปภุมิจิตของแต่ละคนก็ต่างกันไปเช่นเดียวกันใครที่มีจิตต่ำก็ย่อมที่จะคิดถึงแต่ในสิ่งที่ต่ำต่ำส่วนใครที่มีจิตสูงก็ย่อมที่จะคิดถึงแต่ในสิ่งที่สูงแต่สูงกับต่ำนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาอยู่คู่กันเพื่อดึงกันและกันหากเราเป็นผู้ที่อยู่สูงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีพละกำลังแรงของทางจิตที่จะดึงจิตที่ต่ำเหล่านั้นขึ้นมาสู่จุดที่สูงให้ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่กำลังสร้างบุญบารมีอยู่ในจุดที่สูงจึงมักจะมักจะโดนทวงและดึง ของผู้ที่มีจิตต่ำกว่าแต่หากเรามีจิตที่หนักแน่นยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่เราเป็นในที่สุดความดีของเราก็จะปกคลุมและดึงชำระดวงจิตที่อยู่ต่ำกว่าขึ้นมาจนได้และนี่ไม่ใช่แต่เพียงหนูคนเดียวทุกคนที่สร้างบุญบารมีก็เช่นเดียวกันมักจะมีแต่ปัญหาลุมล้อมมีคนรอบข้างที่เข้ามา ทำให้ตนนั้นรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้ากับสิ่งที่ทำแต่ผู้นำบุญทั้งหลายจงเป็นผู้ที่เข้มแข็งอยู่กับในสิ่งที่ตนเป็นภูมิจิตของแต่ละคนไม่สามารถที่จะรู้และสูงเหมือ น, อนกันได้จงมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตนนั้นตั้งใจจะทำแล้วฉุดดึงเขาเหล่านั้นให้ขึ้นมาเถิดดังเช่นเราเองก็เหมือนกัน ในหลายครั้งในสมัยที่เรากลับมาตัดสรู้ก็มีผู้คนมากมายที่เข้ามาด่าว่าทดสอบเราต่างๆนานาแต่ความแข็งแกร่งและความเข้มแข็งของเรานั้นความขาวสะอาดบริสุทธิ์ของเรานั้นก็สามารถที่จะชำระและปกคุมดึงดวงจิตเหล่านั้นขึ้นมาสู่จุดที่สูงได้เช่นเดียวกันหากเรายือนอยู่ที่สูงแล้ว จงอย่ายอมพ่ายแพ้ต่อผู้ที่อยู่ในจุดที่ต่ำภูมิจิตของแต่ละคนย่อมที่จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่สร้างมาแต่เมื่อเราอยู่ในจุดที่สูงเราก็ย่อมที่จะมีหน้าที่แบกรับและดึงเขาขึ้นมาสุดจุดที่สูงนักบุญทั้งหลายจงใช้ความอดทนต่อสู้อย่ายพ่ายแพ้ กิสิทิทับถเข้ามาเลยเราเชื่อว่าในขณะที่ท่านทั้งหลายกำลังสร้างบุญอยู่นั้นมักจะมีมารมาจากทุกฝ่ายทุกด้านมาต่อต้านท่านจงมองดูตัวของท่านเองเถิดอย่าไปสนใจเพ่งโทษผู้อื่นว่าเป็นตัวตัดรอนบุญของท่านและอย่ามัวไปสนใจผู้อื่นเพ่งเลงว่าตนนั้นไปทำร้ายเขา ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแต่ละคนก็ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้เขาเป็นตัวสอบเราบ้างเราเป็นตัวสอบเขาบ้างทุกคนเป็นพี่น้องกันร่วมทางเดินด้วยกันเพียงแต่ว่าต้องแลกเปลี่ยนการสอบแต่แก่กันและกันเช่นตอนการเตะบอลของนักฟุตบอลหากไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งเตะกลับมาลูกบอลก็ย่อมวิ่นไม่ถึงมาที่เราและเราย่อมไม่ได้เตะ และหากไม่มีการได้เตะลูกฟุตบอลนั้นก็ไม่มีการขยับไปสู่การแข่งขันและเก่งก็ย่อมไม่มีชัยชนะที่จะกลับมาได้ไม่มีนักฟุตบอลคนไหนหลอกที่สามารถชนะได้โดยตัวเองเพียงคนเดียวมันย่อมต้องมีฝ่ายตรงข้ามที่มาสู้กันและเตะไปทางนูน้นและทางนู้นก็เตะกลับมา แต่วนไปวนมาใช้ลูกบอล น, นั้นในการชิงชัยชนะท่านทั้งหลายก็เหมือนกันการที่ท่านทั้งหลายร่วมกันในการสร้างบุญท่านจงรวมจิตรวมใจรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวอย่ามีนามานาทัทธิถิต่อกันหากใครมีหน้าที่อะไรแล้วที่จะต้องทำก็จงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและอย่า เพ่งโทษผู้อื่นเขานั้นเป็นผู้ที่เตะลูกบอลมาหาเราให้เราได้เตะส่งกลับไปเฉยๆจงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้ในที่สุดท่านทึงหลายจงใช้ความอดทนในการสร้างบุญบารมีเถิดอย่าใช้การหนีอย่าใช้ความอ่อนแอเลย จงเอาชัยชนะของบุญกุศลให้กับดวงจิตของท่านเถิดการที่ท่านจะหนีไปอยู่มุมใดมุมหนึ่งของโลกนั้นย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์เพราะความทุกข์นั้นอยู่ในทุกท์ที่และความทุกข์นั้นอยู่ในการเกิดท่านทั้งหลายหากการที่ท่านทั้งหลายจะหนีความทุกข์ได้นั้นย่อมเป็นแน่แท้ว่าท่านต้องหนีจากการเกิดให้ได้ก่อนนั่นจึงจะเป็น สิ่งที่หนีจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงจงหาวิธีในการดับการเกิดกันเทิดอย่ามัวแต่ทุกข์อย่ายอมพ่ายแพ้แต่ออุปสรรคที่ผ่านเข้ามาเลยขอให้ท่านทั้งหลายจงมีชัยชนะนับแต่นี้ไปด้วยเถิดเมื่อพระพุทธเจา้าท่านทรงกรับเจริงกราบนะมัศการขอพระคืนพระองค์ท่าน ที่ได้ให้พระธรรมคำสอนตื่นสติหนูและพวกเรานักบุญทุกคนพร้อมทั้งหนูจึงทูลถามพระองค์ท่านต่อไปว่าพระพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ที่หนูตั้งใจมาหนูปรารถนายอย่างยิ่งที่จะมาทูลถามพระองค์ถึงอนิสงส์บุญของการทอดประถิน อนิสงบุญของการทอดกระถินนั้นเป็นยังไงส่งผลถึงอะไรและจะได้รับบุญนั้นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อโนโทนลถามพระองค์ท่านจบพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัดกลับมากับหนูว่าอ น, นิสงส์งของบุญกระถิ่นก็เป็นบุญที่หนักแน่นและถือเป็นบุญ ที่ดีที่มากเต็มกำลังและเป็นบารมีที่หนักแน่นในช่วงของการทอดกระถินหลังออกพรรษาในระยะสามเดือนที่พระพิสุกสงก็ดีและผู้คนที่ได้เข้าพรรษาถือศีนก็ดี นักบุญทั้งหลายนั้นได้จำพรรษาถึงสามเดือนย่อมแน่นอนและแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนนั้นย่อมที่จะบันเพนอย่างเต็มที่ได้บุญได้กุศลได้บารมีอย่างเต็มเปี่ยมและในช่วงที่ออกพรรษา ก็นับว่าเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวบุญกุศลมาจนเต็มกำลังแล้วถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยบุญกุศลนั้นแผ่ออกไปทราบที่สุกสมที่จำพรรษามาตลอดพรรษาเมื่อออกพรรษาก็เหมือนได้แบก บ, บุญกลับออกมาฝากญาติโยม ผู้ที่มีจิตศรัทธาในการสร้างบุญในช่วงนั้นและงดบุญกระถินหรือผู้ที่สร้างบุญในช่วงที่ออกพรรษาใหม่ๆนั้นก็เหมือนกับผู้ที่ได้มากินข้าวใหม่ในรอบที่ข้าวออกใหม่และได้หัวกะทิในบุญกุศล การที่พระพิสุสงฆ์บันเพนจนครบสามเดือนแล้วออกมานั้นแต่ลับองค์ก็ย่อมที่จะเปล่งเต็มล้นไปด้วยบารมีและเป็นบุญที่บริสุทธิ์สะอาดอย่างยิ่งหากใครที่มาทำบุญในช่วงนี้ก็จะมีพลังบารมีที่จะหนุน และส่งผลไปถึงญาติสนิทนิทสายบรรพบุรุษเจ้ากรรมในเวรที่อาจไปติดอยู่ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งไปเปลี่ยนภูมิของเขาช่วยเหลือเขาบุญกุศลอันหนักแน่นนั้นก็ย่อมที่จะไปช่วยเหลือเขาเหล่านั้นได้และก็ถือว่า เป็นในช่วงของหัวกะทิบุญที่ถูกคัดกรองออกมาในช่วงของการออกพรรษาเพราะฉะนั้นอันนี้สงของการทอดกระถินหรือทำบุญในช่วงออกพรรษาจึงเป็นบุญที่หนักแน่นเต็มไปด้วยบารมีพุทธะที่จะมาชำระวิบากกรรมและชำระดวงจิต ที่ยังไม่หลุดพ้นของญาติพี่น้องแห่ไปสู่ทุกที่จึงเป็นอันนี้สองบุญในช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเช่นเดียวกันกับห้างสรรพสินค้าที่ทางโลกมนุษย์จะมีช่วงโปรโมชั่นในหน้าปีใหม่ช่วงปีใหม่หรือเทศกาลต่างๆเช่นเดียวกัน หากเทียบไปแล้วหรือหากจะเป็นข้าวก็จะเป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวมาใหม่เอามาคัา่วแล้วก็ตักกินกันซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารและจิตใจมากกว่าในช่วงอื่นๆเพราะฉะนั้นอันนี้ส่งบุญของการทอดประถินนั้นก็ย่อมแปลได้ว่าเป็นในช่วงของ เหล่านักบุญที่ชวนกันมารับหัวกระิบุญในช่วงทอดกระถินกันนี่แหละคือความวิเศษของหลังช่วงเวลาหลังจากออกปรรษาในบุญกุศลนั้นและบุญของการทอดกระถินเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงกรัสออกมาจกโนจึนจทูลถามพระองค์ท่านกลับไปอีกว่า พระบุทธเร้าเจ้าขาถ้าอย่างนั้นการที่รวบรวมเงินมาทอดพระถิน่นหรือทอดพระปาในแต่ละครั้งหนูได้รู้มาจากพระแม่กวนอิ ม, มา่าถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีปัจจัยมากพอหรือไม่มีปัจจัยที่จะมาสร้าง หลักแสนหลักล้านเยอะๆยมากมายแต่หากว่าเรานั้นเป็นผู้นำบุญไปให้กับคนอื่นและไปเป็นผู้รวบรวมปัจจใจมาร่วมสร้างเรานั้นจะได้บุญมากมายหลายเท่าเลยใช่ไหมล่ะเจ้าคะ และพระแมก่กวนอิมท่านยังบอกอีกว่าปัจจัยนั้นคือสิ่งที่ศักว่ามีขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาใครมีปัญญาหาได้ในรูปแบบไหนอยู่ในกามือของใครก็ถือว่าเป็นของคนนั้นมีเิทธิที่จะ น, นำไปทำในสิ่งใดๆก็ตาม ตามจุดประสงค์ของผู้นั้นที่ปรารถนาจะทำและหากใครที่ไปชวนผู้อื่นเป็นผู้นําบุญรวบรวมปัจจัยมาร่วมสร้างหากได้ยอดเท่าไหร่ก็ถือว่าเงินนั้นเป็นผู้นั้นไปหามาและผู้นั้นก็ได้รับปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยที่คนผู้นั้นไปหามารวบรวมมา และถวายเช่นหากรวบรวมได้สามแสนมาถวายในการสร้างในกองกระถินหรอือป่าป่าหรือจะเป็นรูปแบบไหนก็ดีเท่ากับคนคนนั้นได้ถวายสร้างเท่าที่รวบรวมมาเลยและแถมยังได้บุญอีกที่ได้ไปแจกจ่ายบุญให้กับคนอื่นๆ อ, อ, อีกอันนี้สรงของบุญนั้น จะได้เท่าตัวของตนที่ได้สร้างแม้จะไม่ใช่ปัจจัยที่ไปหามาจากการค้าขายหรือการทํากิจการใดๆแต่เป็นปัจจัยที่ไปหามาเพื่อรวบรวมบุญมาสร้างบุญจะให้อานิสงค์ของบุญนั้นมากเท่ากับที่ถวายใช่ไหมล่ะเจ้าคาเพื่อหนูโทนถามพระพุทธเจ้าท่านจึ พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสกลับมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วขึ้นอยู่กับเจตนาปัจจัยที่ไปชวนญาติโยมรวบรวมมาสร้างบุญสร้างกุศลก็คือเจตนาของการรวบรวมบุญหากว่าเรามีเจตนาจะสร้างบุญแต่ว่าปัจจัยของเราไม่มีมากพอเราจึงมี ความคิดมีเหตุให้เราได้ไปชวนคนอื่นให้มาสร้างบุญก็เท่ากับเราได้ใช้ปัญญานั้นในการขวนขวายหาปัจจัยมาสร้างบุญก็เทียบเท่ากับปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยที่เราไปหามาเช่นเดียวกันและแถมยังได้บุญจากการที่นำบุญไปแจกสู่ญาติมิตรทั้งหลาย นั่นก็ย่อมเป็นบุญที่เรานําไปอีกการเป็นสะพานบุญก็ย่อมได้รับบุญอย่างเต็มเปี่ยมนั้นเป็นแน่แท้และยิ่งเฉพาะหากเป็นบุญในช่วงหัวกระทินี้แล้วก็ย่อมแน่นอนว่าย่อมที่จะได้รับบุญอย่างเต็มอัตตาและเป็นอนิสงบุนที่ถือว่า เป็นบุญใหญ่เลยในทีเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดจบโน่เสงยิ้มและก็กราบขอพระคุณพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งที่ทรงได้ให้พระธรรมำคำสอนให้กับโน่ได้นำมาเผยแผ่กับท่านผู้ฟังทั้งหลายและหลังฉับนั้นโน่จึงได้ กลาวนมัส ก, การลาพระองค์ท่านกลับออกมาจากที่นั่นวันนี้หนูก็ได้ความรู้ได้ธรรมะดีๆได้ายาดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้หาจากสิ่งที่เป็นเหมือนกันกันกบหนูทุกๆคนนะจ๊ะ และหลอานักบุญทั้งหลายจงคิดอย่างนี้เถิดการสร้างบนสร้างบารมีพวกเราก็มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเหมือนดังคำสอนของรพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าต้องเป็นผู้เขียบอลให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย ก็มีจุดหมายอันเดียวกันก็ขอให้แต่ละคนทาหน้าที่ของตนให้ไปสู่ความสำเร็จของดวงจิตสู่ไปทางความหลุดพ้นกันทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ